เป็นในนํามันจะเตือนกันทำบุญกับทําทานจะเอาทําบุญกับท่านมาผสมกันว่าทำบุญทําบุญทำ ท, ทานเป็นของบำรุงกายเข้าน้ำพ่อชนะอาหารเครื่องนมเครื่องหอมที่จู้อาศัยยารักษาโรคแล้วรับพลางกายอี่างกว่า ท, าท่านสําหรับบุญรับหาใจอาหารใจแจ้งใจรักษาใจ นึ่ตัวห้ามีไกยก็มีใจต่างไก่ไม่เป็นของห้าวของพ่อของแม่สั้งขาทั้งกายบ่ชเที่ยงเกิดเราแก่แก็บตายใจบ่ชแก่บ่ชเก็บบตายเป็นบวเลี้ยงเป็นบวชบังทำบุญคืออาหารใจเลี้ยงใจบังใจอาหารใจคืออย่างล้มขันบวมีล้มใจขืนนี้แล้วถึงว่าเบังนะพระบวบอกพระบอกถ้าเอากระตุ้นกดนมมาถวายพระ เอาจะตัวปัจจัยมาถวายพระไปพระก็เกิดขีโรบแทนที่ได้บุญก Pie, ันบาปหลวทปูามาทำบาปเป็นมาทำบุญมาเถอะเนาะแต่งลุ้ยนี่มึงเศร้ามาจุ่นจากมือแต่วงว่ายนี่มึงเศร้า มันเจามันจะขนอย่งมากจะขนอยัางน่าจะเป็นบาตรโลดมากพอแห้งเราขนมาทรงอีก <c oughs> บังวัดว่าผูกขนลุกล้มเนี่ยยากกันเพราตั้ถวายพระก็่อกรต้มขนมก็จะขายไปใส่ม็ดนั่นมันทำบาปว่ะนั่นของร่างกายมันโยงของร่างกายอะ่ะของใจมันทำบายเบิ่งล้มคอล้มบอกนางเบิ่งแม่พอจะซื้อแล้วบาตตัวถึงมาแ้งว่ะแจ้งใจอะ่ะ ใจที่พาไปสวรรค์ไปปณิพัทธ์กายพวกพาไปดิมุกเสียว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ไปสวรรค์ปณิพัานบ่พระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนเให้ไปปฏิบัติน้ำพระพุทธเจ้าเพื่อให้ไปน้ำพระพุทธเจ้าให้ไปสวรรค์เนีไปปณิพัทธพระพุทธเจ้าคนท่านเอาบ่หนีดิสวรรค์ปิพัทธ์คนเหตุใดธรรมใดแต่คนก็ไปแต่เนะพระคนท่านยั่งยู่ตราใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติเทต้นคําสอนของพระพุทธเจ้ามผลนิพัาน์ยั่งยู่ พระบ็เคยเห็นมากนในฟ้านพระกรหิอบอกโยมมาอะไรโยมถาวายสังฆทานเจ้าค้ากาุฏิุเทียนถาวายสังฆทานถาวายผ้าป่าถาวายกระถีนถวายอาหารถาวายแล้วตรวจน้ำโยมนะนีเระบอกทำบุญบ่อยพ่ม่หลวงพ่อตำหนิพระได้เราตามเห็นมาโยมจะทาบุญจ้วัดผมทำบุญปีนี้กระถินสิบกองเป่นวาจังใดล่ะ ตรวจจุกที่อันถายกระถีนตรวจน้ำโย่อมได้แค่นั้นติได้แค่นั้นแล้วเพื่อนก็บอก็บุญบุญกับถวายจระถีนเด้ยหันบาปว่าจะโดนของกายตัวอับถวายกระถิ่นให้กายลําบากผ่ากองผ่าเพมือนั่นเพื่อนเพื่อกองสิยงของดีว่ดีว่าจะกลับไปเพื่อบ้านกวดเรากองเหมือนนั่นเพื่อนเพื่อจ่ขุดเป็นท่าบุญบ่หลับให้อ้อมบ้านอ้อมเมืองยุกินเรา คือกว่าเราตีกันกันมีเพราะอย่างละเพราะตีแห่กถินยากมาหโาราถครบนั่นว่าจะถิ่นบาปเพราะเราตถิ่นบุญเหมืนทำบุญก็ต้องไปนั่งเงียบสงบเบิ่งร่มเขาร่มบอกนั่นไปวัดทำบุญขอมาถวายประนนเป็นบาปดีบ่าดีกับพระเป็นบาปอีพกพระเกิดควอมลบสันกับว่าเมื่อแท้มายากกัน เอาไปมากเห็นอาหารบาดก้นบาดไหลเขาก็มามาปล่อยเอาแมว ม, มาปล่อยเอาสัตว์มาปล่อย น, อนั่นเก็ดขึ้นบนบากในพระหรือเปล่พาพระตะเลยเป็นบาปอ่น้าเขานาเขาวิ น, าาวนตาขายก็เมีหทุมเอินวันนี้ยิ้มเข่าถีรับินตบาดเวีย น, นขายกับตรงขงนุนในกรุงเทพทะเลาะ ก, กัน <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเล่ากันทุกนกระเพาะนมแล้วเอาไปใส่พระไรอ่ะพระเจ้าสอนใน นายุ่มถอยประสงค์รักษาศาสนาพุทธบริษัทสี่พิษสุขสมเนตรอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันรักษาศาสนาเพราะมันช่วยกันทำไรดิเห็นอาหารในบาทพ่อฉนเหน่นี้ม้นหลวงปู่กับวัดนั่นถูกกองวัวัทายเอกหลวงปู่เอาหามาใส่น้ำหลวงปู่เอาเข่งมาใส่หลวงปู่เอารถมาใส่หลวงปู่ดเออเล่ยนพระลบากดิบะ ก็บอกว่าไปทำบุญเหมือนหตุเภทาณุงยากกว่าทำบุญนีัดนั่นนั่นก็คอบคนมักยากก็เพราะพเขาใจเรื่องทำบุญนั่นแหละกเลยบ่มีสมาธิก็เลยบ่มีปัญญาัจจามาที่พอเกิดปัญญาบม่มีก็เหดนห น, นั้นก็ว่าทาบุญทาบุญแต่ว่าทาบุญทำบุญแบนว่าทำบุญคือรักษาใจไปบังไปแรกบางบ้างก็ ไ, ไ, ไปนงางบัง เราจะทำทีเรากรา็กลับสองสามครั้งเราก็นั่งเบื้งล้มเข่าลุกอกได้ว่าจังหนึาทีหรือจะเพะย่อยิ่งเฮ็ดทุกเมือนะ่อละวันไหวมีสัจจะไหวต้องทําให้ได้ทุกวันวันละหนึ่งนาทีประเด็นเด้ผู้เจ้าที่ตัถลู่เพราะสัจจะเฮ็ดหมกปีด้ตัถลู่ว่ามันเฮ็ดปีเดียวเดิปนหาสิ่งหาทํามาสอนคน ต้องถามโตห้องว่าเป็นคนบอังคนเห็ดว่าใดพระพุทธเจ้าคว่สอนเจ็่บว่าเห็ดว่าใดทําว่าใดสิ่งที่ทําว่ได้พระพุทธเจ้าคุณว่สอนผู้ที่เกิดมาจุดนี่โอ้ยมีบุญหลายแล้วบุญมากแล้วมากด้วยบุญยุ่ในบุญบ้ับบ้านเก้าด้ยบุญมาด้วยบุญยุ่ยด้บาปขาดทุนแล้วจับ่ายุ่ยดบาปอะไรตัวท่ายคนใจบาปคือหลักโลกสองโต้ใยใยนั่นอ๋อมนว่าโลกหมอนใย โลภมาจากไส่ลำรุ้ยรักมาจากไส่สวยงามปัญหาเรื่องของบ้านเฮาอยู่กับรักกับโลภเมืองไทยเมืองพุทธเป็จะมีโคตรโกงกันหลอกลวงกันปีนป้อนกันขี่ตัวกันต้มตุนกันัมีดรับพุทธศาสนาเย็นหัวใจเ่ากล้าต้มตุนกันหลอกผู้เสือเพรกากล้าเสือผู้อื่นหลอกต้องเสือพระกุฏเจ้าเห็นบนข้าวหรอก่วงโมเหตตทหารในฉันในเรื่อยจากเมือนหอ ทุกมือทุกมือไปลงทู้นหาหมาเห็ดมาเห็แล้วผมมาเอาใจฟ้อกล้องกันแน่เรื่องนี้ะกล้าตัวกันห่งผู้เสียไปม่ยยากล้เสียจนถึงมือถือขติไว้ใจเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัว่เดี๋ททยวจะพบประเทศนู่นหนึ่งผมไม่ยั้งคือขาดกาันทําบุญจังเดียวว่าก่อใจเงินงทําบุญ เดีวบอพระเจ้าพระสงฆ์มีจทกรูปรปฏิเสธให้พระสงฆ์เพื่อบอกย่อมทำบุญเนาะทนพระสงฆ์ถูกรูปบอกย่อมทำบุญยมก็จะบอหลงปัญนี้เด้มีสมาธิมีข้อมเหลียวตลาดคตสมาธิปัญญานั่นมาจากตัวปัญญาที่สำคัญที่สุทสดท่านเขาบอมีสมาธิหรือบอมีการทำบุญทำบุญคือทําให้จิตนิง่งจิตนิ่งก็คือทําสมาธิแตีออกข้อหมายภาวนาก็ตีได้นท่านสินภาวนาท่านสินภาวนา จะไปออกพภาวนาทานศีลบุญกังสิดเข้าใจนี่คน่าขาใจเรื่องท่ำบุญเนี่ยก็เลยพากันเอาของไปถวายพระว่าทำบุญท่ำบุญท่ำบุญแตได้บวัดนั่นมันก็เลยคิดว่าเจ้าของท่ำไม่ใจสมองแต่นี่บ่เกิดสมาธิปัญญาท่ำบุญคือท่ำไม่คิดนิ่งมึงร่มเข่าร่มออกแกนนั่นถ้ามีร่มตายแล้วคนเห็นบ่านั่นอาหารของใจนั่นเครื่องรักษาใจคือร่ม เพียงโมเวงเพงโมแตงกันใจนิ่งใจสงบเห็นลมมันโดนโดนเขาโดนเขาเกิดสมาธิเกิดปัญญามีความรอบรู้เพียรถูกบาปบุญว่ากล้าตัวข้นหอกแล้วก็ว่ากล้าเสื้อค้นหรอกเหมอนเพราะปัญญาบาปเจ้าเขาทุกนั่นอันนี้ห้องพ่อจากว่าบุญก็บาปเป็นเัืงไหนได้บัดะเอาพ่อเคยเห็นบุญถ้เลยไปตีว่าล่ำลวยก็สวยงามเป็นบุญแต่ได้บัดเอาถ้ำของพระเจ้าเาแปลล่ำลวยสวยงามเป็นบาปด้ นั่งร่วงไม่แล้วเขามายืมยืมบ่เรามาท่งฟังร้องกันทุกใจบ่เป็ถามสองเทียสามเทียเทียสี่เอามือปืนไปนั่งหายเขาบอกห า, ย, หา ย, ยืมแล้วมีหนังก็ไปจำน่องจอดจา <c oughs> มีบ้านกับจำน่องมะหายวิธีดินก็บไปหามาดจำม ะ, มะหายกันตัวฉานบอกหายกัยิ่งกันแล้วเป็นทุกข์ป้เป็นน่ารบปรสวยงามกันไปมาดมันกันไ้ ดาล่ากโก้เก๊ไปมาหึงกันหวงกันสองสาเดือนเตียงหักผว่ามาสาเหตุจากไหเพราะหึงกันผู้ยิ่งว่ากับผู้ไส้ว่ไใดผู้ไส้ว่ากับผู้ยิ่งก็บว่าใกลับมาบ้านบ้านแตกสาแตกขาดเป็นว่านรกปอสวรรค์ด้บัดเพิ่งร่มขอร่มอกมนนางมังลมกมแล้วตบุตรมาบังสวรรค์บังขับธมามธิดีบังขับยิ่ดีใจมันชงแสใสไปพุ่นไปพี่ ว่าได้ไง่ายแต่ว่าเฮ็ดยากด้เพราะฉะนั้นเพื่เพื่อเจ้าเป็นต้งบอกไว้ทำที่เราแต่ถาโกดเดือตัตรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ฟังรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ต้องเหนือจากคนธรรมดาดิสมุดเขามาบวชบวชซสือเอแต่ว่าขเขาไมาเฮ็ดจุดนี้ คุณได้กัเห็ดได้ตัวแถบหมอหองผัาเหลืองเห็ดว่าเห็ดบวงลบหายใจเขาออกคันเห็นจุดนี้เราก็เอาจุดนี้ไปสอนคนมองรูว่าได้เท็ดบาปปณีที่ประเทศไทยนั่นพระ ก, กับพวกหูไหมพวกหูจะว่าบุญไปตังไ ห, ไหมไมคนหูจะจีบตัวคนบอกค น, น, นเปลีป่ยปัวใจเงินมาถวายด้วยมีปัญหากับพอว่าเอาบอกงยมบกง้อบอกงบอ ก, บอ ก, บอกใจมาถวายมันว่าล่ะย้ำจับกันเงิน กองลอยไปน้ำจับสองาทีสามนาที็จับมาได้อยู่จนถ้าเหยียดมาจายัยางเอาคนเอาคือพระเจ้าไปสอนพู้ได้ที่นจับพอพูทเจ้เ า, า, าเอาถึงเอาคสอนของพระเจ้ามาสอนคนสอนในทาบุญในซื้อนวัดไหนคาสอนของพระเจ้าสอนทุ่นนี่พอดีซื้องงอมทบุญเดเลิเหด็ดเลย่ำเข้าไปที่วัดไหก็ไ ด, ไดบ้านไหก็ไดพระ อ, องค์ไดบมากบอกง้อมเหตบุญมึงดู มันมีสมาธิตรงนี้มีควมละอายแจ๊กใจนี่วันนี้เขาก็เลยบ๊อบก็เห็นบ๊อบก็หัวก็เลยว่าล่ำรวยสวยงามเป็นสวรรค์เสร็จแล้วบ่เป็นบุญกันแล้วบ่ขอให้ล่ำรวยขอให้สวยงามเป็นบุญของฉันหรือว่าตันั่งเห็นบ่บุญของโรกไม่บุญของพระเจ้าด้บ่บุญของพระเจ้าคือควมสุขของใจบ่มีหนังแขนอยู่ในหัวใจเอาคําเดียวซะจะเข็นสวรรค์ในผ่านจะไปสวรรค์ในผ่านได้ หาความมีออกจากใจเจ้กว่าพอใจของมีอย่างเขาถามก้ไปจุดนี้ล่ ะ, ะพระพุทธเจ้าไปไวาทั้งหลาพุทธะเป็นว่าผู้รู้ถ้าให่ใจของมโหเป็นพระพุทธเจ้ากุ่มนามัทตวาลงทอประมาณว่าประเทศเป็นพระพุทธเจ้าม่ทิติาลได้บัน่นโพุทธะเป็ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโล ก, กวิถีรู้แก้งโลกเขาแปเข้ามาพระพุทธเจา้ามาเบิ่งโู้ เพิ่นตืนเพิ่นเบิกบานบานะานโลกก็เป็นสันติน ะ, ะอันพระสงฆ์เห็นจุดนี้แล้วโลกเพิ่นสิูไปเห็นอยางถึงว่ออกไปมวนขึ้โมถึง่ดีกว่าีเพิ่นเห็นจุดนี้ว่ามันวนวายโลกนีวนว่ายหนาะนั่นเนีเขมาม่าอยูะสันี่เขาไปนี่ปุ๊บหายวนว่ายมีนยังหัวใจเขาบา ง, งปนนางมลลลังกรลมบุลมบมีอย่างนี้เห็นแต่ลมยัางเดียวบัดสิไปอี๋นีจริงๆริงลมว่าเอาด้ทรงไปซื่อซือด้คือบางไฟนี่ไหม เปรียบก็มือเนี่ยแล้วเป็นล่มส่งมังไฟก็ขึ้นฝุ่นนี่ส่งใจของเขาก็ขึ้นฝุ่นล่มส่งใจแต่บวมมีได้ยู่นหัวใจก็ไปได้มันมีก็ไ ป, ปว่ได้เพราะฉนั้นมีคำเดียวแค่นั้นคำานให้ปฏิบัติของผู้เจ้าคือหาความไม่ออกากใจ